ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอุบายกำจัดอกุศลวิตกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ขวนขวายในอธิจิตควรมนัิการถึงนิมิตห้าประการนี้ตามเวลาอันสมควร น, นิมิตห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยนิมิตใดแล้วมานสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมานสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเธอมานสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้น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 ช่างไม้หรือลูกมือช่างไม้ผู้จำนานใช่ลิ่มอันเล็กตอกโยกทอลิ่มอันใหญ่ออกได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยนิมิตใ ด, ดแล้วมณสิการนิมิตใ ด, ดวิตตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้น ควรมนัิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเธอมนัิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างวิตตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะลาวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้สองร้อยสิบเจ็ดิทั้งหลายสองหากเมื่อพิกษุนั้น มนสิกานิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันท้าบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกนั่นแหลภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้ วิตตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมัน่นสงบ เป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึดอัดระอาและรังเกียจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมานัสิกานิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยอกุศลนอกจากนิมิตนั้น วิตกอันเป็นบาปอกุศลถึงประกอบด้วยชันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกพิกสุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกนี้ล้วนมีแต่โทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนมีแต่ทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่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 218. ภิกษุทั้งหลาย 3. หากเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งความวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นไม่ควรละลึกถึงไม่ควรมานสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ละลึกถึงไม่มานาสิการวิตกเหล่านั้นอยู่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 219ภิกษสุทั้งหลาย 4. หากเมื่อพิกสุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยชันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกพิกสุนั้นควรมนสิการวิตกกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้น เมื่อเธอมนณสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบได้ชันทะาบ้างประกอบได้โทสะบ้างประกอบได้โมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีสมาธิในภายในโดยแท้เดินคนเดียวเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินทำไมถ้ากระไรเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้ากระไรเราควรยืนเขาก็ยืนเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้ากระไร เราควรนั่งเขาจึงนั่งเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้ากระไรเราควรนอนเขาจึงนอนคนผู้นั้นเว้นอริยบทหยาบๆแล้วพึงใช้อิอริยบทละเอียดละเอียดแม่ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกไม่มานัสิการวิตกเหล่านั้น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 ทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นผู้หนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิภายในโดยแท้คนผู้มีกําลังมากจับคนที่มีกาลังน้อยกว่าได้แล้วบีบ กดเข็นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนัสิการถึงวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตคมขั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตคมขั้นจิตทำจิตให้เล่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างวิตตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้น ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ผู้ชำนาญวิถีทางแห่งวิตก221ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตไดแล้วมณสิกานิมิตใ ด, ดวิตกันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเมื่อเธอมรรณสิการนิมิตซึ่งประกอบด้วยอากุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละ ha, วิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละ ว, วิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันท้าบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกและบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้